บุ๊กทูสิบห้าเด็กกรีนผลไม้และอาหารฟรุกตอยไขนูทรารอยดิฉันมีสตรอเบอรี่มีฮาวัสฟรากอน ดิฉันมีกีวี่และแตงโมมีฮาวส์ชีวอนไเมนันนนดิฉันมีส้มและกเกลฟฟรุตมีฮาวส์ออรันจอนไขกราบฟรุตตดิฉันมีแอปเปิ้ลและมะม่วงมีฮาวส์พอมอนไขมันบอนดิฉันมีกล้วยและสับประรด มีฮาสบานานอนไฮอนานาสนดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้มีฟารัสฟรุกตันสลนัดนดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งมีมันจัสรส์บานนดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนยมีมันจัสรส์บานานคุนบุเทโร ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยมดิฉันกำลังทานแซนวิชดิฉันกำลังทานแซนวิชทานเนยเทียมิฉันกำลังทานแซนวิชทานมาร์การโน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 เราต้องการพิซซ่าและสปากเกตตีนีเบโนสิซซอนไคสปากเกตโต้เราต้องการอะไรอีกไหมคิอนอริยันนเนสเราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุปนีเบโซนส์แครอโต้ไคทอมัตโต้เพื่อทำซุป